วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาหะพชายาติโยมเลยมีเวลาที่จะมาทำบุญกันอีกหนึ่งวันจะเรียกว่าเป็นการได้กำไรบุญก็ได้เพราะถ้าไม่มีการหยุดชดเชย วันนี้ก็ต้องไปทำงานทำการกันทำงานทำการก็จะได้ลาบยศสารเส้นได้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆได้ความสุขชั่วคราวและถ้าได้มาทำบุญก็จะมาได้สวรรค์ได้นิพพานกันซึ่งเป็นความสุข ที่ถาวร อ, อันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราพวกเราก็จะหาแต่ความสุขชั่วคราวกันหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกยลิ่นรสปุธุพะกันเพราะไม่รู้ความสุขที่ได้จากการทำบุญนั้น เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าและเป็นความสุขที่ถาวรถ้าสามารถปฏิบัติไปถึงขั้นสูงสุดได้คือขั้นพระนิพพานหรือขั้นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆความสุขทางใจนี้มีอยู่สองระดับด้วยกัน ระดับโลกียะกับระดับโลกุตระแล้วกับระดับโลกียะนี่ยังมีวันเสื่อมมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นความสุขที่เราได้จากการไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะมีวันเสื่อมมีวันหมด ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี่เมื่อบุญที่เราได้ทำไว้จางหายไปเป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์น้ำมันรถยนต์ที่เราเติมในทังเนะ่เวลามีน้ำมันรถก็วิ่งไปไหนมาไหนได้พอวิ่งไปเรื่อยๆต่อไปน้ำมันก็ต้องหมดหมดก็รถก็ต้องหดกลับมาที่สถานีบริการ เพื่อจะได้เติมน้ำมันรถใหม่บุญพวกที่พวกเรามาทํากันนี่ถ้าเราทําบุญทําทานเรารักษาศีลเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะได้บุญระดับโลกีย์เป็นระดับที่ยังจะต้องทําให้เรากลับมาเติมน้ำมันใหม่มาเติมบุญใหม่คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หลังจากบุญที่ส่งให้เราไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนั้นหมดไปเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเติมบุญใหม่ส่วนบุญอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับโล ก, กุตระนี่อันนี้เป็นบุญที่จะไม่เสื่อม พอได้บุญระดับนี้แล้วก็จะอยู่ในระดับนั้นไปแล้วจะขยับขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติจนถึงระดับสูงสุดระดับที่ไม่ต้องกลับมาเติมบุญกันอีกต่อไป บุญระดับโลกุตระนี่คือการเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริย ส, สัจสีที่จะต้องมีคนมาสอนคนที่จะมาสอนเรื่องอริย ส, สัจสีเรื่องไตรลักษณ์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกมาตรัสรู้ อริยสัจสี่มันตัสรู้ไตลักษณ์จะไม่มีใครรู้เรื่องไตลักษณ์เรื่องอริยสัจสี่ก mm ัน hmm. ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะทำบุญไปถึงระดับโลกุตระได้แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้มาเผยแผ่ความรู้นี้ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถได้บุญระดับโลกุตตระที่มีอยู่สี่ขั้นละขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์บระดับโลกุตระนี้จะทำให้เราได้ ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลสี่ระดับถ้าเราได้ระดับแรกคือระดับโสดาบันเรายังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเราไม่สามารถไปถึงนิพพานได้ในชาตินี้ไม่สามารถไปถึงขั้นอรหันต์ได้ในชาตินี้ถ้าเราได้ขั้นโสดาบันเราก็จะ ได้โสดาบันไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมจากโสดาบันเราจะไม่เสื่อมหรอกมาเป็นพรหมเป็นเทวดาแต่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่เราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรชาเป็นเปรตเป็นนสุรกาย ไปตกนรกนี่คืออํานาจบุญคขั้นระดับโลกุตระพอได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาจะเป็นโสดาบันและจะมีแต่กยับขึ้นไปตามกําลังของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติบุญอีกระดับหนึ่งก็จะได้อีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามี พอได้ขั้นสักเดียคาร์เนี้ก็จะเหลือเพียงชาติเดียวถ้าเกิดตายไปก่อนยังไม่สามารถขึ้นไปสู่ขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกหนึ่งชาติเพื่อมาปฏิบัติต่อแต่จะไม่กลับไปเป็นโสดาบันจะไม่กลับไปเป็นปุตตุชนปุตุชนนี่ก็คือผู้ที่ อยู่ในระดับโลกิยะไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์นี้เราเรียกว่าปุถุชนจิตของปุถุชนจิตที่ยังติดอยู่ในโลกิยะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีขอบเขตไม่เหมือนพระโสดาบันนี้มีขอบเขตพระโสดาบันนี้ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงนิพพาน พระศกิดาคามีก็ไม่เกินหนึ่งชาติก็จะถึงนิพพานแล้วถ้าปฏิบัติขึ้นไปสู่ขั้นที่สามได้คือขั้นอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ต่อไป ถ้าตายไปก่อนถ้าไม่ตายก็สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้เลยอย่างที่พระสาวกส่วนใหญ่ของพระพุทธเจ้านี้จะบรรลุธรรมกันภายในภพในชาตินี้ทั้งสี่ขั้นขั้นพระอรหันต์ก็จะได้พระนิพพานได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปได้ความสุขที่เรียกว่าบรมะสุขเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนจึงเรียกว่าบรมะสุขนิบบานังปรละมังสุขขังนี่คือความสุข ต่างๆที่เราจะได้รับจากการมาทำบุญกันตอนต้นเราก็ทำบุญระดับโลกิยะไปก่อนเพราะมันง่ายกว่าการทำบุญระดับโล ก, กุตระเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเราต้องเรียนจากชั้นง่ายขึ้นไปสู่ชั้นยากเริ่มต้นเราก็เรียนอนุบาลกันจากนั้นเราก็ขยับเข้าสู่ ระดับประถมระดับมัธยมแล้วถึงจะไปสู่ระดับอุดมศึกษาได้ระดับปริญญาตรีโทเอกตามลําดับบุญก็เป็นลักษณะแบบการศึกษาทางโลกนี่น้องก็ต้องผ่านบุญระดับอนุบาลก่อนบุญระดับอนุบาลก็คือการทําบุญรักษาศีลห้าทำบุญไม่ทําบาป อันนี้ก็จะทําให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับบุญที่เราทําว่าทํามากทําน้อยทํามากก็ได้เทพชั้นสูงทําน้อยก็ได้เทพชั้นต่ําำแล้วถ้าเราขยับการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งคือนอกจากทําบุญทําทาน รักษาศีลห้าแล้วเราก็มารักษาศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบเป็นฌานขั้นต่างๆได้เราก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมกันสวรรค์ชั้นพรหมก็มีชั้นเท่ากับชั้นของฌานต่างๆรูปะพรหมอรูปะพรหม รูปภพมก็สี่อรูปภพมก็สี่รูปภพมก็คือผู้ที่ได้บรรลุรูปฌานสี่ข้อสี่ขั้นรูปฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็จะได้เป็นรู ป, ปรภพชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปตามลําดับส่วนผู้ที่ได้อารูปฌานก็ Кор จะได้เป็นรู ป, ปรภพ ชั้นอรูปภพมนชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ความแตกต่างของรูปภพมกับอรูปภพชั้นต่างๆนี้ก็คือความละเอียดความสุขุมของความสุขและระยะเวลาอันอันยาวนานสั้นยาวต่างกันไป้าได้รูปชาญขั้นที่หนึ่งก็ได้ความสุข ที่ยากกว่าขั้นที่สองและสั้นกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็ได้ยากกว่าขั้นที่สามและสั้นกว่าขั้นที่สามถ้าได้ได้ฌานสูงขึ้นไปก็จะได้ความสุขที่ละเอียดมากขึ้นได้ได้ความสงบที่อยู่นานขึ้นไปตามลำดับด้วยกำลังของสติที่จะคอย ควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าสติ mm hmm. มีกำลังน้อย mm hmm. ก็ควบคุมกำลังความคิดปรุงแต่งได้น้อยก็จะสงบได้ไม่นานไม่ลึกถ้าสติมีกำลังมากก็จะควบคุมความสงบให้สงบได้นานและสงบได้ลึกขึ้นไปตามลำดับนี่คือระดับ บุญของโลกียะที่จะต้องเสื่อมกลับลงมาจากรูปจากอรูปประพมก็จะเสื่อมลงมาสู่รูปประพมจากรูปประพรมก็เสื่อมลงมาสู่เทพชั้นต่างๆาจากเทพชั้นต่างๆก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทําบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิกันใหม่เพราะวิสัยที่ได้ทําไว้ ทำบุญได้รักษาศีลได้นั่งสมาธินี้จะติดอยู่กับจิตพอกลับมาก็จะชอบทาบุญจะชอบรักษาศีลจะชอบฝึกนั่งสมาธิเพราะรู้ว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพาพะชนิดต่างๆความสุขที่ได้เสพอบายามุขต่างๆเช่น การเล่นการพนันการดื่มสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูของลเล่นต่างๆจิตของผู้ที่เคยทำบุญรักษาศีลละเว้นอบายามุกที่นั่งสมาธิได้นี่จะไม่สนใจกับความสุขของอบายามุกจะไม่สนใจกับความสุขที่เกิดจากการทำบาป ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเห็นว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการทําบุญรักษาศีลนั่งสมาธิทําใจให้สงบเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็น <c oughs> ผลพลอยได้แต่ความสุขที่ได้จากการเสบอบายามุข ค, ความสุขที่ได้จากการทําบาปนี่มันเป็นความสุขชั่วเดี๋ยวเดียว ตอนที่ได้เสพมาบายามุกตอนที่ได้ทำบาปก็ดีใจมีความสุขทำบาปเช่นไปขโมยของเขาได้ของมาก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจขึ้นมาก็าะจะต้องคอยหลบหนีเช้าหน้าที่ํารวจทำบาปทาผิดแล้วก็จะต้องคอยหลบซ่อนคอยตกวิตตกกังวลหวาดกลัว ก, การที่จะต้องถูกจับไปลงโทษความสุขจากอบายามุข ก, ก็ได้ตอนที่เสพพอ <c oughs> หมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ยะที่อยากจะเสพอบายามุข ก, ก็มาใหม่อันนี้ถ้าคนที่เคยทำบุญรักษาศีลเคยนั่งสมาธิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะ มารักษาศีลมาทำบุญมานั่งสมาธิต่อจะไม่สนใจกับเรื่องอับการทำบาปจะไม่สนใจกับเรื่องอ บ, บายามุกต่างๆ <c oughs> ในทางตรงกันข้ามพวกที่ชอบทำบาป พ, <c oughs> พวกที่ชอบเสพอ บ, บายามุกพอตายไปก็จะต้องไปใช้บาปในอบายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแล้วพอบาปที่ได้ทำไว้ใช้ไปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะเอานิ ส, สัยเดิมกลับมาทำต่อเคยเสพอบายามุข ก, ก็กลับมาเสพต่อเคยเคยดื่มสุราก็จะกลับมาดื่มสุราต่อเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันต่อ เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของละเล่นต่างๆก็จะกลับมาทำต่อเคยทำบาปก็ถึงเวลามีโอกาสก็จะทำบาปต่อเจนเงินหมดจะไม่มีความสามารถที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ก็ต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงเพราะมันเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานที่ติดมากับใจแต่นิสัยสันดานนี้ ทั้งที่ดีและที่ไม่ดีนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่ที่สองสองส่วนอยู่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเวลาที่เรามาเกิดเรามาเกิดอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรแวดล้อมที่ดีหรือแวดล้อมที่ไม่ดีก็มีส่วนที่จะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยที่ดีกลายเป็นที่ไม่ดีได้ถ้ามาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือถ้านิสัยที่ไม่ดีแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ จ, จะเปลี่ยนให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นมาก็ได้นี่คือเหตุหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เราเปลี่ยนนิสัยสันดานได้เหตุที่สองก็คือความสํานึกในใจเรารู้คุณรู้โทษของนิสัยต่างๆของเราถ้ารู้ว่านิสัยนี้ไม่ดีเราก็เลิกได้ครับ การรู้นิสัยนี่ดีถ้าเราไม่มีเราก็มาทำกันแล้วเราก็จะเปลี่ยนนิสัยจากที่ดีมาเป็นจากไม่ดีมาเป็นดีก็ได้หรือจากไม่ดีไปเป็นไม่ดีก็ได้ถ้าไม่มีความสำนึกก็จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วก็จะทำไปตามนิสัยสันดานเดิมถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมคือครอบครัวที่เราไปเกิดสังคมที่เราไปอยู่ ถ้าสังคมเป็นสังคมดีครอบครัวดีชอบทําบุญรักษาศีลชอบเข้าวัดนั่งสมาธิเขาก็จะดึงเราไปในทางนี้กันถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาแล้วนิสัยเก่าที่เราเคยทําถ้าเราไม่ได้ทํามันก็จะค่อยจางหายไปแล้วมีนิสัยใหม่เข้ามาแทนที่ดังนั้นคนเหล่านี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีไปตลอด โดยชั่วไปตลาดนะดีก็เปลี่ยนเป็นชั่วได้ชั่วก็เปลี่ยนเป็นดีได้แล้วแต่เหตุการณ์นละสิ่งแวดล้อมที่พาไปนะอย่างพระเทวทัตนี่ท่านก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นเป็นลูกของกษัตริย์นแล้วก็มีปเป็นญาติของพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธา ออกบวชบวชอยู่ได้ก็ได้ไ ด, ได้อภินยาไ ด, ด้ได้ความสามารถพิเศษแต่ไม่ได้ไม่ได้ปัญญาแล้วก็มีเหตุการณ์มาครอบงำมีความโลภอยากจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็เลยกราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ปกครอง ส, อ ง, สองแทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้ชราภาพแล้วแต่พอพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ประทานพรที่ต้องการก็เกิดความโกรธเกลียดเกรียดแค้นต่อพระพุทธเจ้าทำให้ลูกแกโทสะคิดค่าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเนี่ย นิสัยดีมาบวชรักษาศีล น, นั่งสมาธิแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะคอยกำจัดกิเลสทันหาความโลภความอยากความอยากเป็นใหญ่เป็นโต <c oughs> พอเห็นมีโอกาสก็เลยขอกาบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าพอพระองค์ไม่ทรงโปรดประทานให้ก็โกดอาฆาตพยาบามก็เลยไปทำบาป ทั้งทั้งที่ <c oughs> มีนิสัยที่ดีมาตลอดแต่พอมีเหตุการณ์มากระตุ้นกิเลสตัณหาขึ้นมา <c oughs> ก็ไม่มีสติปัญญาจะคอยยับยั้งไว้ก็เลยต้องไปทำบาปนะการทำบาปต่อพระพุทธเจ้านี้เป็นหนักบาปที่หนักที่สุดตายไปก็จะต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุด แต่ก็ยังโชคดีก่อนที่จะตายนี้ในในในในเรื่องที่เขาเล่ามาก็ท่านจะสูกแผ่นดินสูบแล้วพอแผ่นดินจะสูกถึงสีคางท่านท่านก็ยกขอถวายคางของท่านนี้ให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นการขอขามาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกความสำนึกผิดของเขานี่จะทำให้เขาหลังจากที่ได้ไปใช้กรรมในนรกแล้ว จะกลับมาบวชแล้วจะได้บรรลุปเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าต่อไปคนเราต้องมีความสำนึกรู้ผิดถ้ารู้ผิดแล้วก็จะไม่กล้าทำบาปไ ม, ไม่ไม่กล้าทำผิดอีกการขอขามาเราโทษนี้เป้าหมายก็คือให้รู้รู้ว่าตนเองได้ทำผิดเราจะได้ไม่กระทำอีกแล้วหลังจากที่ไปใช้กรรมของความผิดที่ได้ทำไว้หมด กลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่ทำอีกเพราะรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่าการกระทําบาปไม่ดีอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนดีที่ถูกเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมดึงให้ไปทำบาปได้ทาชั่วได้ในทางตรงกันข้ามก็เรื่องขององคุลิมาเ น, นี่ก็เป็นเรื่องของคนชั่วที่ ได้เจอพระพุทธเจ้าที่ได้ให้สติสตังให้รู้คุณรู้โทษของการทำบาปก็เปลี่ยนใจได้ถูกอาจารย์เก่าหลอกให้ไปฆ่าคนแต่อยากบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ต้องไปฆ่าคนหนึ่งพันคนองคุลิมาณก็เลยไปฆ่าคนพอฆ่าคนแล้วก็ตัดเล็กอบตัดนิ้วเขามาคล้องคอเพื่อเป็น ทำทำสิทธินะ่ะฆ่าคนได้เก้าร้อยเก้าสิบเ้าคนร้อยคนเดียวก็มาพบกับพระพุทธเจ้านะก็พยายามตามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่บรารมีและอภิญญาความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้านี้ทําให้องค์ุลิมาไม่สามารถไล่ตามพระพุทธเจ้าได้ทันวิ่งขนาดไหนเร็วขนาดไหนก็ไม่ทันพระพุทธเจ้านะ จนกระทั่งเหนื่อยก็เลยตะโกนไปบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับไปว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดนะองค์ุลิมานก็เลยถามว่าท่านหยุดแล้วทําไมผมถึงตามไม่ทันะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเราหยุดจากความอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการทําบาป เรา้อาเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการไม่ทำบาปพอพูดอย่างนี้องคุลิมานก็ได้สติได้ปัญญาว่ากำลังเดินไปในทางที่ผิด<ม>ก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ขอเป็นฝากตนเป็นลูกศิษย์แล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของคนที่ชั่วแต่ไปเจอคนดีอย่างพระพุทธเจ้าที่ชี้ให้เห็นถึงคุณถึงโทษของการทำบาปหรือไม่ทำบาปพอเขาเห็นตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเขาก็เปลี่ยนวิถีความคิดเปลี่ยนวิถีการกระทาของเขาจากการกระทำบาปก็เลิกกระทำบาปแล้วกลับมาทำบุญมา ปฏิบัติมากำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปองคุลิมานก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมที่ได้ไปฆ่าคนถึงเก้าเกสบ้าคงก็ไม่สามารถที่จะตามมาเช็คบินกับองคุลิมานได้เพราะองคุลิมานถ้าตายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่ ไม่ต้องไปเกิดนาบายพอไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลชานเป็นเปนตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกแต่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังต้องใช้วิบากที่ทำอยู่ที่เวลาไปไปที่ไหนที่คนเขาจำหน้าได้คนเขาก็พยายามที่จะทำลายทำลายพระองคุลิมานแต่พอท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิด อีกต่อไปไม่ต้องมาใช้กรรมต่างๆที่ได้เคยทําไว้นี่คือประโยชน์ด้วยคุณค่าของพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้ทําให้เราไม่ต้องกลับมาใช้กรรมกันไม่ต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีสิ้นสุดกันอันนี้ก็เกิดจากการที่เรามีเวลามาทําบุญกัน มาทำบุญมาละบาปมาชำระความโลภโกรธหลงมาทำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกท่านก็สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้มารักษาศีลห้ากันหยุดการทำบาปหยุดการเสพอบายามุก โดยการมีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าความกลัวกลัวกลัวในในผลของบาปที่จะตามมาอับอายเพราะคนที่ทำบาปนี้ไม่ได้เป็นคนน่าชื่นชมยกย่องสรรเสริญนั่นเองคนทำบาปนี้เป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวน่าชังน่าประดาม ถ้าไม่อยากให้คนเขาเกลียดชังไม่ประนามก็ไม่อยา ก, ยากไปทำบาปคนที่มีความอายนี้จะไม่กล้าทำบาปคนที่มีความกลัวนี้จะไม่กล้าทำบาปกลัวผลของบาปจะไม่กล้าทำบาปอย่าถ้าเราอยากจะรักษาศีลเราต้องนึกถึงวิบากที่จะตามมาวิบากทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และวิบากหลังจากที่เราตายไปแล้วขณนะมีชีวิตอยู่นี่ก็จะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคมสังคมจะไม่ยอมรับให้อยู่ในสังคมเดียวกันคนที่ทำบาปมักจะถูกแยกไปอยู่อีกสังคมหนึ่งก็คือไปอยู่ในคุกในตารางเพราะคนที่ทำบาปนี่ก็ไม่ต่างกับสัตว์ร้ายเสือสิงกระทิงราษฎร ถ้าปล่อยให้มาอยู่กับคนดีอยู่กับมนุษย์เดี๋ยวก็จะไปกัดไปทำร้ายมนุษย์เขาจึงต้องสร้างกรงไว้เก็บพวกพวกสัตว์ ร, ร้ายเหล่านี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วจิตใจเป็นสัตว์ ร, ร้าย<ม>เพราะจะจะเป็นภัยต่อมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ เขาก็เลยต้องจับไปเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกับเราเวลาเสือสิงกะทิงราดมันหนีออกมาจากสวนสัตว์นี่เราก็ต้องตามไปจับมันจับมันกลับไปเข้ากรงใหม่ถ้าปล่อยมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันก็ต้องไปทำร้ายผู้นี่คือให้เราเห็นวิบากของบาปที่จะตามมาเราจะทำให้เราขายหน้าเราจะ แล้วเราจะถูกไปจับขังคุกขังตารางคนเขาจะรังเกียจเราเขาจะไม่ถือว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนเขาเขาจะถือว่าเราเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่ใจนี้เป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วยังไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นบุคคลน่ารังเกียจของสังคมถ้าเราคิดถึง ผลที่จะเกิดจากการทำบาปนี่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่ในชาตินี้ในขณะที่เป็นมนุษย์แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก่อนจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับเป็นมนุษย์ที่อัอาภัพวาสนา เกิดมารูปร่างไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสเกิดมายากจนบางทีอาการก็ไม่ครบสามสิบสองพิกลพิการอายุก็ไม่ยืนยาวนานอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่คือลักษณะของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ใช้บาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาแบบ อาภัพวาสนาถ้าเราเห็นผลของการทำบาปทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในะขณะที่เราตายไปแล้วเป็นอย่างนี้เราก็จะทำให้เราเกิดความอายเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดฮิริโอตปะไม่กล้าทำบาปถ้าไม่เราไม่ทำบาปเราก็จะสามารถรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ สถานภาพของมนุษย์ก็คือมีศีลห้าเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตรวเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยนี่คือคุณลักษณะของมนุษย์ถ้าไปทำบาปข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ทำให้สถานภาพของมนุษย์นี้ด้อยลงไปตามลำดับของการทำบาปทำน้อยก็ก็ด้อยลงไปน้อย ทำมากก็จะได้ลงไปมากนี่คือเรื่องของการทำบาปที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเร า, ามาละกันเนี่ยเป็นขั้นต้นของการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการของการทำความดีได้เมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะสามารถไปทำดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะการกระทาของเรานี้จะไม่เป็นโทษกับผู้อื่น เพราะการกระทําที่เป็นโทษที่เป็นบาปเราจะไม่ทํานั่นเองเราก็จะทําทานแล้วก็จะทําอะไรต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นถ้าไม่มีเงินทองก็ใช้กําลังกายเป็นอาสาสมัครทํางานให้แก่สังคมให้แก่องค์กรสาธารณะต่างๆก็จะทําให้เกิดบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมา ทำให้พัฒนาจิตใจจากความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดานะธรรมะก็จะได้เป็นเทวเวลาขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับนะพอถึงขั้นสูงสุดก็อยากจะมีปะความปรารถนาที่จะไปสูงกว่านั้นก็จะสนใจกับการมารักษาศีลแปดกับการมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าถือศีลแปดนั่งสมาธิได้ ทำได้มากๆากทำได้บ่อยๆก็จะได้ความสุขระดับชานเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับขั้นต้นก็ได้ระดับชานที่หนึ่งต่อไปก็ได้ชานที่สองต่อไปก็ได้ชานที่สามชานที่สแล้วต่อจากนั้นก็ไปสู่อรูปฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตามลําดับพอได้ความสุขระดับชานนี้เต็มที่แล้วทีนี้ก็อยากจะให้ความสุขเหล่านี้มันถาวรก็จะต้องปฏิบัติ ทำขั้นระดับโลกุตละคือขั้นปัญญาอันนี้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสวอนถ้าไม่มีก็ไปไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรถ้าเราเกิดในภพที่มีพระพุทธศาสนาพอได้ได้บนระดับรูปปัจจานะรูปปัจจานแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกุตละได้เข้าสู่การเป็นโสดาบัน เป็นสกิราคามีเป็นอนาคามีเป็นผ้าอารหันได้นด้วยการเจริญ อ, อปัญญาพิจารณาสุขทิ่งยุกย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสร่างกายขันห้าธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจนี้พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยง ความสุขที่ได้มันความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงพอมันเสื่อมไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันไม่ใช่ของเราเราเก็บมันไว้ไม่ได้เก็บรักษาไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสร่ญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกคือขันห้าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจ มันเกิดดับเกิดดับมันมาแล้วก็ไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราได้ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะดูแนวการเดินทางวิปัสสนาว่าการเดินการปฏิบัติแนวทางวิปัสสนาเพื่อหเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆ เมื่อเราเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไม่อยากได้สิ่งต่างๆไม่อยากได้ลาบยศสรเสริญไม่อยากได้สามีไม่อยากได้ภรรยาไม่อยากได้ลูกไม่อยากได้อะไรต่างๆที่คนเราในโลกนี้อยากกันอยากแล้วมันดีไหมอยากแล้วก็ร้องบ่นกันทุกข์กันไม่สบายใจกันแม้แต่ร่างกายก็ไม่อยากไม่อยากได้มันจะแก่จะเจ็บจะตาย ก็ไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้อยู่ดีของทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราจะเอามาเป็นของเราไม่ได้ร่างกายมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเวทนามันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปกันทำอารมณ์มก็เหมือนกันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเนี่ยถ้าเราเห็นใจรักในสิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็จะลากความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆได้เราก็จะละกามตัญหาได้ภาวะตัญหาได้ภิภาวะตัญหาได้พอเราลาะตัญหาทั้งสามนี้ได้หมดไปจากใจแล้วใจเราก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่สาดบรยสุดนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพาน <Yeah. S 1> นิพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจสวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นความรู้สึกในใจความสุขในใจนี้เป็นสวรรค์ mm hmm. ความทุกข์ในใจนี้เป็นอบายเนี่ย <Yeah. S 1> เรามาสร้างสุขสร้างทุกข์กันด้วยการทำบาลด้วยการทำบุญกัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่อยากจะได้ทุกข์เราก็ต้องกาจัดการกระทาบาปล้วทาแต่บุญ yeah. ทำบุญให้ไปถึงขั้นโลกุตละขั้นถึงพระนิพพานแล้วเราจะได้บุญเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจบุญร้อยเปอร์เซนตความสุขร้อยเอร์เซนจะมีอยู่ภายในใจของพวกเราไปจนวันไม่มีวันสิ้นสุดลาบใดที่ใจเรายังไม่มีสิ้นสุดความสุขที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนี่แหละคือเรื่องของบุญเรื่องของการมาทาบุญกัน ที่พระพุทธเจ้าพยายามชวนพยายามสอนให้พวกเรามาทำกันอยู่เรื่อยๆทำให้มากขึ้นทำบ่อยๆมีเวลาว่างเมื่อไหร่มาทำบุญกันมาละาบาปกันมาชำระกิเลสตัณหากันพรามันจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปลำดับการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปในที่สุดต้องมีเวลามาทาบุญกัน วันนี้จึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะเราได้มีเวลามาทำบุญไม่ต้องไปทำงานงานนี่บางทีเราก็ทำมากเกินไปงานนี้ทาจริงๆก็ทำเพื่อเล่งปากเล่นท้องเท่านั้นเองแต่ความหลงมันหลอกให้เรานอกจากเล่งปากเล่งท้องแล้วให้เราไปซื้อความสุขต่างๆที่ไม่ได้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลามันจางหายไป ถ้าเราทำบุญเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เราไม่ต้องทำทุกวันอย่างที่เราทำกันอยู่ปีหนึ่งอาจจะทำเพียงเดือนเดียวก็พอทาเดือนเดียว น, น, น, น, นี้ก็มีเงินไว้เก็บไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ทั้งปีถ้าเราไม่เอาไปใช้อย่างอป็นวิเราก็จะได้มีเวลามาสร้างบุญกันมาละบาปกันมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กันนี่คือเรื่องของวันกาไรบุญ ที่พวกเราได้กันในวันนี้ขออย่าให้ปล่อยเวลาอันนีค่านี้อผ่านไปโดยไม่ได้ละบาปไม่ได้ทำบุญไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธเพร่าเวลาของพวกเราที่จะอยู่ในโลกนี้ก็จะมีน้อยลงไปไเรื่อยๆแล้วเวลาถ้าเราตายไปแล้วกลับมาเกิดข้าวหน้าก็ไม่แน่ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ ถ้าไม่พบก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพบเราก็ยังจะมีคนสอนหรือถ้าเราทำบุญถึงขั้นระดับโลกุตตละขั้นพระสดาบัณแล้วเราจะรู้จักทางไปเองได้กลับมาเกิดแถวหน้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาเรารู้จักแนวทางของวิปัสสนาแล้วรู้จักแนวทางของอริยาาสัจสีแนวทางของไตลรลักษณ์แล้วไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเราก็ได้ อย่างนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติให้ถึงขั้นแรกของโลกกตุลาทำให้ได้ถึงแล้วเราจะมีความอบอุ่นใจมีความมั่นใจว่าพระนิพพานนี้จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปณะระโสยะถามณนิโชติ พระโสยะถาสพิติโยวิวัชาตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวทาติอายุวโนสุขัง พลาไม่ทราบว่าญาติยอมพวงนี้ยังมีการหยุดชดเชยหรือเปล่าแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ ว, ลวนะเพราะถามราชการก็ไม่หยุดรัฐวิหาสรสรัฐวิสาหกิจก็ไม่หยุดธนาคารก็ไม่หยุดแตดงว่าหยุดชดเชยวันนี้วันเดียวจะได้ทราบว่าจะได้เตรียมตัวได้งั้นพุวงนี้อย่าเตรียมลําโพงมาแล้วไม่มีใครมา ก็เหนื่อยเปล่าๆพรุ่งนี้คงจะกลับเป็นวันปกติไปนะเพราถามใครก็ไม่มีใครอยุ่พรุ่งนี้กันนะอกจากคนที่ไม่ต้องทํางานคนที่เป็นทํางานส่วนตัวเขาก็อาจจะมามากันบ้างแต่คงไม่ต้องเตรียมลำโพงเตรียมอะไรไว้แบบเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะเอนะนะก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันนะ วันนี้ทาง YouTube ทาง Facebook งก็มาเท่าไหร่นะวันนี้ช่วงที่พิพิธารแสดงธรรม a c e b o o k อยู่ที่สามรอยเจ็ดสิบครับ YouTube <ม>อยู่ที่เจ็ดสิบสองคนครับวันนี้มีจากเบลเยียมเพิ่มมาเป็นประเทศที่ยี่สิบแปดครัยี่บแปดประเทศนะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกัน แต่หลังจากเลิกแล้วขออนุญาตจะมาถามเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วถามอย่างนี้มันจะได้รับประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ด้วยเพราะคำถามมันก็เหมือนๆกันมีปัญหาคล้ายๆกันเราถามของเราแต่คนอื่นเขาอาจจะมีปัญหาเหมือนเราก็ได้เขาได้ยินเขาก็จะได้ดูจากวิธีแก้ หรือถ้ายังไม่เกิดเขาก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อน <c oughs> หรือป้องกันไม่ให้มันเกิดก็ได้ยันอย่าอายเลยเรี่เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันทุกคนพวกเราเป็นพวกมีปัญหากันทั้งนั้นน่ะันไม่ต้องไปไอายหรอก <c oughs> ไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีใครเก่งถ้าเก่งไม่มาเกิดถ้ายังเกิดก็ถือว่ายังไม่เก่งมีคำถามทางชาวต่างชาติเข้ามาหม อีครับมีจากโอลิเบียครับการดึงจงกรมก็อยากจะรู้ว่าเดินแบบไหนก็มีการสอนเดินหลายแบบบางแห่งก็ให้ก้าวหนอวางหนอบางแห่งก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปบางแห่งก็ให้ดูเท้าไปเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเหมือนได้ทั้งนั้นอะ่ะเป็นวิธีเจริญสติ คือคอยควบคุมความคิดไม่ให้เราไปไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ดึงมันกลับมาที่เท้าที่พุทโธหรือจะเดินไปสวดมนต์ไปก็ได้การเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบทผ่อนคลายอิริยาบทถ้านั่งทั้งวันนี่มันไม่ไหวร่างกายมันจะต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากการนั่งมาเดินอันนี้เป็นพวกที่เขาปฏิบัติ แบบมืออาชีพก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขาต้องมีการสลับเปลี่ยนอิริยาบทจากเดินก็มานั่งจากนั่งก็มายืนบ้างอะไรอย่างเนี้แต่ถ้าพวกเราทำแค่มือสมัครเล่นก็ไม่ต้องเดินโยกโคมก็ได้เพราะว่าเรานั่งแค่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่งจะดีกว่านั่งจะสงบกว่าแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันอย่างเงี้ยนั่งทั้งวันไม่ไหวแล้วก็ต้องเปลี่ยนเริยาบทแต่ การจเจริญสติก็ต้องต่อเนื่องไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินจะยืนถ้าพุโทโธก็ต้องพุโทโธไปในทั้งสี่รียาบทหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เฝ้าดูไปร่างกายกําลังทําอะไรกําลังตักน้ํากําลังดื่มน้ากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันก็ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอไม่ต้องทําอะไรก็มานั่งต่อนั่งต่อจะ ดูลมหายใจต่อก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมลมลมมันหายใจของมันตามปกติเราเพียงแต่อาศัยการดูลมไม่เป็นการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่นั้นเองถ้าไม่ดูลมจะบริกรรมพุทโธไปก็ได้จะท่องมนไปก็ได้ <c oughs> ท่องไปหายในใจวิธีไหนที่มันเหมาะกับเราในตอนนั้นเราก็ทาไป เป้าหมายก็คือให้จิตสงบจิตไม่ปรุงแต่งคำถามต่อไปจากคุณโตมอนนะครับ <c oughs> <c oughs> กราบขอเรียนถามว่าถ้าคนเราค่าตัวตายจิตจะไปนรกเลยหรือว่าจิตจะอยู่ตรงที่เราตายจนกว่าจะหมดอายุไขครับคือจิตมันไม่มีสถานที่แล้วนรกก็ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสถานภาพของจิตถ้าจิตทุกข์มันก็นร ก, ก เวลาฆ่าตัวตายมันสุขแล้วทุกข์มีใครอยากจะตายลกัน้องให้คนอื่นฆ่าเราก็ยังกลัวเลยแล้วเรามาฆ่าตัวตายนี้จิตเราก็ยิ่งทุกข์มากใหญ่ตายพอคิดจะฆ่ามันก็เริ่มเข้าสู่นรกแล้วพอฆ่ามันก็เข้าสู่นรกเต็มรูปแบบไปมันไม่ได้เดินทางไปไหนมันอยู่ในจิตของเรานารกสวรรค์อยู่ในจิตของเราถ้าเปลี่ยนใจปรองยอมรับกับ อ, อผลอะไรต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ จิตก็สงบกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาไม่ต้องฆ่าตัวตายถ้าถ้าเสียใจก็ยอมรับว่าใครเขาทิ้งเราปล่อยเขาทิ้งไปยอมอยู่คนเดียวจิตก็จะสงบไม่ต้องฆ่าตัวตายบางทีอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อประชดเขานทนี้แล้วได้อะไรได้แต่ความตายคนที่ประชดเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไร <c oughs> งั้นเราถ้าพลิกใจเราได้ยอมรับสภาพของเราหมดจิ้นเนื้อประดาตัวก็ยอมอยู่กับอยู่แบบยากจนไปไม่ต้องกระโดดตึกตายมันก็จิตก็สงบกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาไม่ต้องไปนรกคำถามต่อไปจากคุณนันทิกาครับคนติดดีคิดว่าตัวเองทำดีแต่คนอื่นไม่ดีจะตักเตือนท่านอย่างไรดีคะ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปตักเตือนเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่ค่อยตักเตือนความจริงติดดีมันก็ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าอย่าไปหลงคิดว่าตนเองดีติดดีกับหลงดีมันต่างกันนะติดดีก็ชอบทำความดีไม่เสียหายชอบทำบุญทำไปเถอะปล่อยเขาทำไปชอบทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ตัวเขาจะทุกข์เดือดร้อนแต่เขาก็ยินดีจะทาก็ไม่เป็นไรแต่หลงดีเนี่ยคิดว่าตัวเองดี คิดว่าตัวเองเก่งอย่างเงี้ยแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ดีไม่เก่งอย่างเงี้ยเป็นอันตราย <c oughs> เราจะทำให้ตัวเองไม่พัฒนาตัวเอง <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับเราก็ปล่อยเขาไป <c oughs> ไปพูดแล้วเดี๋ยวก็อาจจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมกันโกรธเกลียดกันขึ้นมาได้ <c oughs> นอกจากเป็นหน้าที่ของเราอาจถึงแม้จะเป็นหน้าที่บางทีไปพูดเขาก็ยังเกลียดเรา เพราะเขาไม่ชอบฟังในสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาคิดว่าเขาดีแต่เราไปบอกว่าเขาไม่ดีเขาก็ไม่พอใจเนละยงั้นการจะพูดอะไรเกี่ยวกับผู้อื่นนี้ต้องอยู่ที่ว่าเขามาขอร้องให้เราพูดหรือเปล่าจะดีกว่าถ้าเขามีปัญหาเขามาขอปรึกษาเราว่าทําไมมีแต่คนเกลียดเรานีแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าก็เพราะคุณทําตัวแบบนี้แบบนี้เขาถึงเกลียดคุณสิ แต่ถ้าอยู่ดีๆไปบอกเขานี่อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าแทนที่จะได้บุญกลับจะได้โทษกลับมาเขาอาจจะโกรธเกลียดกันเลิกกันเป็นเพื่อนเลิกคบกันเป็นเพื่อนเลยไม่อยากจะฟังเสียงของเราคำถามต่อไปจากคุณวินครับผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีหลายหน้าคือรู้สภาพรอบข้างในจิตรู้ทั้งซ้ายมือและขวามือทั้งทั้งที่หันหน้าตรง อยากทราบว่าสภาวะนี้คืออะไรครับคือเผลอสติไงไม่มีสตินั่งสมาธิมันต้องมีสติต้องมีพุทโธพุทโธไปหรือมีลมหายใจไปถ้านั่งเฉยเฉมันก็ไม่มีสติมันก็จิตมันก็หลอกเราเนี่ยของที่เรามาปรากฏนี่เป็นเป็นของหลอกจิตสร้างขึ้นมาหลอกเราเท่านั้นเองคำถามต่อไปจา facebook live ครับจะคุณแตมครับ ถ้าเราทำงานถ้าเราทางานการค้าขายทุน850บาทขาย950เราจะพ่องในสินข้อมูลข้อมูลสาวาทหรือเปล่าครับเราจะเร า, เราจะพ้ อ, องตรงไห น, นถ้าคุณไปถ้าคุณพูดความจริงมันก็ไม่พ่ อ, องบอกผมซื้อมา850ขาย950แต่เวลาคุณขายคุณไม่ต้องไปบอกเขาว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่ไม่ใช่เลยใช่ั้ยคุณก็ขายไปตามราคาที่คุณอยากจะขาย คนซื้อก็ซื้อไปตามราคาที่เขาอยากจะซื้อไม่ผิดศีลแต่อย่างใดไม่หลอกลวงไม่ได้อะไรถ้าเราไม่ได้พูดอะไรถ้าเราไปหลอกเขาว่าซื้อมาเก้าร้อยแล้วต้องขายเก้าร้อยห้าสิบแต่ความจริงซื้อมาแปดร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าผิดศีลล่ะโกหกหลอกลวงแต่ถ้าคุณไม่ได้บอกเขาว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณจะขายเก้าพันก็ได้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ไปบอก ไปโกหกเขาว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ผิดงั้นการที่เราขายของนี่ขายแพงขายถูกนี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดเพราะมันขึ้นอยู่กับการตลาดใช่ไหถ้าของที่เราอยากจะของที่เราขายมีคนอยากจะซื้อมากมันก็เราก็สามารถที่จะเรียกราคาสูงได้ถ้าของที่เราขายมันไม่มีใครอยากจะซื้อเราก็ต้องขายแบบขาดทุนก็มีนะเพื่อจะขายในสิ่งที่เราต้องการขาย ไม่ได้งั้นการค้าขายแบบนี้ไม่ผิดตรงไหนอาบได้ที่เราไม่ไปโกหกไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคำถามต่อไปจากคุณวราวด์ครับในขณะทาสมาธิจะมักมีความง่วงขึ้นมาควรแก้อย่างไรครับก็ลุกขึ้นมาอาบล้างหน้าล้างตาอาบน้าลุกหน้าลุกตาลุกขึ้นมาเดิน <c oughs> เดินจนกว่าจะหายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ ถ้า ง, ง่วงอีกก็ไปนอนสักพักก่อนให้หายง่วงหลับสักพักนพอตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาทำใหม่อันนี้สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกทางอื่นนะแต่คนที่มีทางเลือกทางอื่นเขาก็อาจจะอดอาหารล ด, ลดการือรับประทานอาหารให้น้อยลงถ้ายังไม่หายก็อดอาหารไปอดวันยังยังไม่หายก็อดสองวันอดไปเดี๋ยวมันก็หายเอง รือจะไปหาที่อยู่ที่น่ากลัวก็ได้ไปอยู่ในปา่าพาบางลูกท่านนั่งสมาธิที่ปากเหวถ้าสับ ป, ประหงขัวก็ทิ้มลงเหวไปเลย <Yeah. S 1> บางท่านก็ไปนั่งในป่าช้า <Yeah. S 1> อันนี้มันก็จะทำให้ไม่ง่วงย <Yeah. S 1> แก้ความง่วงได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะสามารถใช้มาตรการเหล่านี้ได้ก็ใช้ไป <c oughs> ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไปนอนซะทั้งง่วงก็นอน คำถามต่อไปจากทาง y o u t u ครับจากคุณปาณิสาครับมีครอบครัวหนึ่งซึ่งลูกชายชอบไปทำบุญนอนที่วัดในวันหยุดของการทำงานแต่มักจะถูกพี่ชายและแม่บ่นต่อว่าให้ว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้ถือว่าชายผู้ชอบไปนอนวัดทำบุญนี้บาปต่อแม่ไหมคะถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาที่ต้องทำต่อแม่ก็ก็ไม่ควรก็เป็นการเล่าเลย เช่นแ ม, แม่เดือดร้อนแม่ต้องการให้อยู่ช่วยขายของตัวเองก็ไปอยู่วัดนี่อันนี้ก็ถือว่าไม่ควรทำ mm hmm. ควรทาภารกิจทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเราค่อยไปทำอย่าง mm hmm. อื่นต่อเพราะแม่ก็มีพระคุณกับเราถ้าแม่ต้องอาศัยเราให้เราช่วยเหรือเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านไปก่อน mm hmm. ก็เป็นการทำบุญเหมือนกัน mm hmm. ไปวัดก็เป็นการทาบุญอยู่บ้านช่วยแม่ทางานก็เป็นการทำบุญ แต่ถ้าอยู่เพราะอำนาจกิเลสของแม่แม่ไม่อยากให้ลูกไปวัดอันนี้ก็ไปได้ถ้าแม่ไม่เดือดร้อนแม่ไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพียงแต่ไม่อยากให้ลูกไปวัดอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจไปได้คาถามต่อไปจากคุณอชาชริยาครับเมื่อจิตรู้อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรู้ลมหายใจแล้ว โยมเห็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องจากการกระทบของอารมณ์ภายนอกว่าใจรู้สึกอย่างไรและเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพจิตไปเรื่อยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกต้องดูแล้วไม่มีอารมณ์ทางยีถูกให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉใครด่าก็รู้ว่าเขาดา่าแต่ไม่มีลอารมณ์เกิดขึ้นจากการด่าของเขาเขาชมก็ <c oughs> ไม่เกิดอารมณ์จากการที่เขาดา่า ไม่ได้ดีใจไปกับคำชมของเขาไม่ได้ไปเสียใจกับคำด่าของเขาต้องทันต้องเร็วขนาดนั้นต้องเฉยต้องสักแต่ว่ารู้ถึงจะถูกต้องถ้ามันไม่เฉยก็ต้องทำให้มันเฉยให้ได้ตอนต้นอาจจะยังไม่เฉยเพราะยังไม่รู้วิธีวิธีที่จะทำให้เฉยเพอมันมีอารมณ์ก็ใ้คาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้แล้ว อารมณ์ไม่ดีนั้นก็จะหายไปได้หรือขั้นที่สองก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราเห็นนี่เราไปห้ามไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นทาอย่างนี้ไม่ได้เราจะพูดอย่างนั้นทาอย่างนี้ก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็น <c oughs> คาถามต่อไปจากคุณสายทานครับหากเราและกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสร้างบุญด้วยความบริสุทธ แต่มีผู้ไม่ยินดีในบุญของเราทั้งยังเจตนารังเกียจในบุญกุศลของเรานั้นคนพวกนี้จะได้บาปจากใจเขาหรือไม่และบุญของเราและกัลยาณมิตรที่ร่วมกันทนํานี้จะบริสุทธิ์และมีอนิสงส์ดังที่เราเจตนาหรือไม่เจ้าคะมีบุญที่เราทําไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นจะคิดอย่างไรพอใจไม่พอใจมันไม่เกี่ยวกันบุญที่เราทําเราก็ได้ตามที่เราทํา ส่นใจของคนอื่นเขาก็จะได้ตามที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดไม่ดีเขาก็ได้ความรู้สึกที่ไม่ดีไปเขาคิดดีเขาก็ได้ความรู้สึกที่ดีไปเช่นถ้าเขาอนุโมทนาบุญเขาก็ได้ความสุขไปถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขากิดฉาลิษยาหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทาของเราตาหนิติเตียนเราเขาก็ได้ลมไม่ดีไปทั้งเองคำถามต่อไปจากคุณอาชริยาครับในชีวิตประจาวัน บางครั้งรู้ลมหายใจขึ้นมาเองใจสงบสบายก็รู้สึกถึงความสงบสบายหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆและมีความสุขขึ้นมาและส่งใจไปดูความกรารเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกสบายๆพร้อมดูเวทนาไปเรื่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงทางใจและความสงบไปเรื่อยๆมีความคิดขึ้นมาบ้างอยากให้มันสงบนานๆบ้างวางใจบ้างกลับมาดูลมบ้างถูกไหมคะ และควรทําอะไรต่อคะควรจะทําอย่างเดียวก่อนถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวก่อนดูลมให้มันชํานานจนทังจิตสงบได้เต็มที่อย่าดูลมแล้วก็ไปดูความรู้สึกแล้วก็ไปดูความคิดนะมันก็ทําให้จิตมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่มันก็จะไม่ก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นอยู่มันก็จะติดอยู่อย่างนั้นถ้าอยากจะให้มันสงบมากขึ้นก็ต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับลมไป <c oughs> จนกว่าจิตจะรวมจะสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหายไปหมดนิ่งอันนั้นแ่ะถึงจะได้ผลเต็มที่ได้ได้อัปปนาสมาธิถ้าดูนิบนิดดูนั่นหน่อยมันก็มันก็จะไม่ได้อะไรมากคำถามต่อไปจากคุณพรครับในขณะที่เราถือศีลแปดอยู่แล้วมีเพื่อนมาพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังแต่เราก็ฟังเฉยเฉย อย่างนี้เราผิดสินไหมเจ้าคะ่ะคือถือสินแปดอยู่ที่บ้านเจ้าคะ่ะอ๋อไม่ผิดหรอกการฟังไม่ผิดการพูดผิดะการฟังข้รหานินทานี้เราไม่ผิดเนียคนที่พูดเนี่ยผิดบางทีเรายัางต้องจะพบปะคนนะบางทีเขาต้องมาระบายอะไรให้เราฟังเนี่ยแล้วก็ฟังไปเฉยๆถ้าเราไม่ไปร่วมกับเขาเนะ่ยถ้าร่วมกับเขาก็ผิดเนะ่ะเออจริงนะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าอย่างงั้นะเราก็ผิดด้วย แต่ถ้าเราพยักหน้าเออเออเออเลยเฉยเฉยไปฟังไปโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมกับการเข้ารหานินทาของเขาเราก็ไม่ผิดอะไร <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนราครับสัญญากับวิญญาณกับจิตเป็นอันเดียวกันไหมครับเป็นคนละอันกันจิตเป็นตัวรู้สัญญาเป็นความจำที่มีอยู่ในตัวรู้สังขารเป็นความคิดปรุงแต่งที่มีอยู่ในตัวรู้ อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจําเป็นต้องทราบไหมว่าสมาธิเราเนี่ยได้ระดับคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาสมาธิเพื่อใช้ในการตักกิเลสคะอ๋อขั้นของมันนี่มัน ม, ม, มันไม่มีตัวบอกหรอกมันมันไม่มีตัวหนังสือบอกว่าตอนนี้อยู่อุปจาระอยู่อะไรเหมือนกับกินข้าวมันไม่ได้บอกว่าอิ่มหนึ่งจานหรืออิ่มสองจานมันยก็จะมีความสงบต่างกันไปใหม่ๆเราก็จะไม่รู้ความแตกต่างกัน แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะรู้ว่า อ, อ๋อครั้งนี้สงบมากกว่าครั้งนั้นะครั้งนี้สงบลึกกว่าครั้งนั้นอะไรนานกว่าครั้งนั้นมันจะรู้แบบนี้ถ้าเราจะรู้จักชื่อมันเราก็ต้องไปอ่านที่ตำราดรูว่าสงบแบบนี้มีชื่อว่าอย่างไรอ <time> แต่ไม่จมําเป็นจะต้องรู้หรอกขอให้รู้ว่าให้มันสงบลึกๆสงบ น, น, นานๆเนี่ยนะขอตอนนี้ขอให้รู้แค่นี้ขอให้มันพยายามทําให้มัน ส, สงบใจค่อนข้างอยู่ได้นานๆนิ่ง เข้าใจแล้วนะคําถามต่อไปจาก facebook live ครับจากคุณเนโก้ครับการที่มีผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบเพราะเขาชอบแต่งินทาผู้อื่นเวลาเรารับรู้แล้วเราไม่สบายใจจึงไม่อยากไปสูงสิงกับท่านแต่ท่านเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งแบบนี้คือลูก ป, ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ใจเรายังมีอคติต่อเขาอยู่ยังไม่ชอบเขาอยู่ เราก็ต้องฝึกทำใจให้มีอคติไม่มีอคติก็ต้องฝึกทำสมาธิบ่อยๆแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาแล้วเราก็จะอยู่กับคนที่ชอบและไม่ชอบได้ถ้าเราังเป็นจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องอยู่การไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้หมายคำว่าเราเราโกรธเกลียดเขาหรือเราทำบาปแต่อย่างใดเราเพียงแต่นั้นว่าการอยู่กับเขามันไม่เป็นประโยชน์ มันไม่เสริมความสงบของใจเราเราก็อย่าไปอยู่กับเขาแต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องทำต่อเขาเช่นบิดามารดาเราก็ไปทำหน้าที่ถึงเวลาก็ต้องไปทำหน้าที่เวลาไม่ต้องทำหน้าที่เราก็แยกอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้ถ้าอยู่กับเขาเลาฟังแต่เสียงที่เขาบน่นเขาดา่าเขาว่าอย่างี้แต่ถ้าเราทำใจได้เราไปนูเบขาไม่ถือสาท่านอยากจะพูดอยากจะบ่นอะไรก็ปล่อยท่านพูดทานบ่นไป เราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปมันก็อยู่ได้ทำทำต่อไปเั้คุณอนิจังครับเวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการง่วงตลอดเลยค่ะหัวจะหนักๆ ห, หนูตั้งใจปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานแต่เกิดนิวรตลอดทำอย่างไรดีคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็ต้องอใช้มาตรการต่างๆเช่นการผ่อนอาหารออาหาร รับประทานอาหารให้น้อยๆ <Yeah. S 1> หรือไปดูไปอยู่ที่หน้ากลัว <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรานั่งดูทีวีกับไม่ง่วง <Yeah. S 1> ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลส <Yeah. S 1> <laughs> ดูทีวีนี้ตาตาตื่นขึ้นมาใจตื่นขึ้นมา <laughs> พอให้พุโทโธพุโทโธตาหลับนะ <Yeah. S 1> ใจจะหลับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการเนี่ยอดอาหารป้อนอาหารหรือไปนั่งอยู่ที่มันน่ากลัวหน้าวาดเสียว ฐานที่บนเขานี่มีทางเดินจงกรมบางแห่งมันสูงเหมือนถ้าเผลอก็ถ้าหลุดออกทางจงกรมก็ดิ่งลงไปเลยสามสี่เมตรสูงพระชอบตอนต้นเขาจะให้ทํารางให้เขาไม่เอาอย่าทาราวทําราวมันมันมันปลอดภัยมันจะประมาทมันจะไม่ระมัดระวังเนยพราะมันไม่มีราวนี่มันจะต้องระวังความระวังเนี่ทําให้มีสติทําให้ตื่นตัวขึ้นมา มัาอยู่ในปา่าส่วนหนึ่งก็มีงูบ้างมีอะไรบ้างเวลาเดินก็ต้องมีความระมัดระวังมันก็เป็นที่ที่จะทําให้เราไม่ง่วงทําให้ที่เป็นที่ให้เราเกิดสติได้แต่ถ้าอยู่เป็นนานๆมันอาจจะชินกับที่แล้ว ม, มันก็จะง่วงก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่ไปหาที่ใหม่ที่มันน่ากลัวใหม่คําถามต่อไปจากคุณพอครับถ้าสติเรายังไม่มั่นคงดี สามารถใช้วิธีนั่งฟังธรรมเป็นหลักแทนการนั่งสมาธิได้หรือเปล่าคะได้ในเบื้องต้นเราก็ต้องใช้การฟังธรรม้วยการสวดมนต์เป็นการสร้างจสร้างสติขึ้นมาก่อนพอเวลาฟังธรรมเราก็ต้องตั้งใจฟังเวลาสวดมนต์เราก็ต้องตั้งใจสวดพอเราตะ้มีความตั้งใจแล้วก็เท่ากับเราตั้งสติแล้ว ต่อไปพอเราฟังทมเสร็จแล้วก็อาจจะนั่งดูลมต่อไปก็ได้ดูลมหายใจต่อหรือบริกรรมพุทโทธต่อไปก็ได้เพราะใจเริ่มมีสติมากขึ้นความคิดปุงแต่งเริ่มน้อยลงก็จะสามารถนั่งต่อไปได้คำถามต่อไปจากทาง u t u b e ครับจากคุณลาวันเรียนท่านอาจารย์ดิฉันได้ศึกษาฟังธรรมะของท่านรู้สึกว่ามีความเฉยเฉย เบื่อความเป็นอยู่ลักความอยากดูทีวีและในการกินอยู่ช้อปปิ้งรู้สึกว่าชีวิตมันเซ็งเซงและควรทําอย่างไรต่อไปคะก็พยายามทําใจให้สงบเพราะเรายังไม่มีความสุขทดแทนพอเราต้องเสียความสุขที่ได้จากการช้อปปิ้งจากการเที่ยวเตะมันก็จะทําให้เราสึกเซ็งเซงเพราะเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามาฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบได้ เรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไม่รู้สึกเซ็งๆเราจะรู้สึกเบื่อเฉยๆเบื่อากับการเที่ยวการกินการดื่มเพราะเราจะเบื่อแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้ฉนั้นตอนนี้เรากำลังขาดความสุขที่ได้จากความสงบมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกไม่ค่อยสุขเพราะเราไม่สามารถหาความสุขจากการเที่ยวการกินการดื่มได้ถ้าเราหยุด เราก็เลยต้องมาฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบถ้าเราได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่เบื่อไม่รู้สึกเซ็งกับการที่เราไม่ได้ทำอะไรต่างๆเรากลับจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำอะไรเบา อ, อกเบาใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนคำถานต่อไปจากคุณตุ้มตุ้ยครับการที่เราเคยกลัวความมืดแล้วลองออกไปเผชิญกับมันโดยการเดินจนกลม ให้มีสติอยู่กับการเดินหลังจากนั้นไม่กลัวความมืดอีกเลยเพราะจิตมีสติไม่ส่งออกนอกอย่างนี้เป็นการหายกลัวไปเองหรือจิตหลบเข้าข้างในคะเมันก็เป็นการที่เรามีสติดึงจิตให้เข้าข้างในอาจจะไม่กลัวความมืดแต่เรายังมีความกลัวอย่างอื่นต่อเราก็ต้องไปแก้ความกลัวต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจเราให้หมดไปถ้าแก้ด้วยสติมันก็จะแก้ได้ด้วยชวั่วคราว ถ้าแก้ด้วยปัญญามันจ ะ, จะแก้ได้อย่างถาวรแก้ด้วยปัญญาก็คือยอมตายยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับว่าร่างกายมันในที่สุดก็ต้องตายที่เรากลัวกันในที่สุดก็กลัวความตายนี่ถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะหายกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถประเชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่สะทกสะทานคำถามต่อไปจากุณยุพินครับ เรียนถามค่ะเมื่อตายแล้วถ้ามีลูกผู้ชายบวชให้จะได้รับบุญไหมคะไม่ได้หรอกบุญของลูกก็เป็นของลูกจะได้แล้วตอนที่เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็เพราะเวลาลูกบวชเราจะได้มาวัดมาเยี่ยมลูกมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้บุญจากการกระทำของเราแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทำบุญเราก็จะไม่ได้บุญจากการบวชของลูก คำถามต่อไปจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะมีวิธีปฏิบัติให้ถึงพระโสดาบันได้อย่างไรครับก็น่าต้องต้องทำบุญละบาปนะแล้วก็รักษาศีลแปดขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเนี่ย ร่างกายของคนอื่นเราปล่อยได้ใช่ไหคนที่เราไม่รู้จักเขาจะแก่เ็าจะเจ็บเขาจะตา ย, ายเราไม่รู้สึกอะไรฉันไดร่างกายที่เราถือว่าเป็นของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเห็นร่างกายของเรา <travaille> ที่เราถือว่าเป็นของเรานี้ว่ามันความจริงมันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเนี่ยงั้นถ้าร่างกายของคนอื่นเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนร่างกายที่เรามีอยู่นี้เราก็ต้องไม่เดือดร้อนเหมือนกันอันนั้นก็จะทาให้เราเป็นโสดาบันได คำถามต่อไปจะคุณสิริศักด์ครับถ้าเราปฏิบัติจนได้อัปปนาสมาธิครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปที่ปฏิบัติจะได้อัปปนาสมาธิทุกครั้งหรือไม่ครับก็ อ, อยู่ที่การปฏิบัติว่ายังชํานาญหรื อ, อยังถ้ายังไม่ชํานาญมันซุบกงก็ยังอาจจะไม่ได้เหมือนที่เขายิงปืนเข้าเป้าแต่ครั้งแรกครั้งแรกแล้วครั้งที่สองอาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้แต่ถ้าหัดซ้อมไปบ่อยๆต่อไป อาจจะเข้าเป้าทุกครั้งเลยก็ได้ครั้งแรกมันก็เป็นอาจจะมันได้เหมาะโจะทุกอย่างสติดีอะไรดีมันก็เลยเข้าได้แต่ครั้งที่สองกลับไปคิดถึงคราวที่แล้วว่ามันเข้าได้อยากจะให้มันเข้าเหมือนคราวที่แล้วนั่งแล้วคิดอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เข้าเพราะมันไม่ได้เข้าด้วยความคิดอยากมันต้องคิดด้วยการมีสติอย่นก็ต้องรู้ว่าการเข้านี้เข้าได้วิธีเข้าอย่างไรแล้วกลับมาทําแบบนั้นใหม่ แบบทำแบบนั้นใหม่มันก็เข้าได้แต่อย่าไปอยากให้มันเข้าพราะอยากปั๊บมันไม่เข้าแล้วเพราะความคิดมันเข้ามาขวางความอยากมันเข้ามาขวางต้องให้มีสติอยู่ถ้าเราใช้พุโทโธคราวที่แล้วคราวนี้เราก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงคราวที่แล้วอย่าไปอยากให้มันเข้าให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราทําเราก็ไม่ได้อยากให้มันเข้าใช่ไหมเราก็ไม่เคยมีเราก็ไม่เคยเข้ามา เราก็อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็เลยเข้าไปได้ข่าต่อไปก็ต้องทาแบบข่าวที่แลาก็าอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอยู่กับความคิดว่าอยากจะเข้าคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปานีครับท ำ, ทำไมตัวหนูหนักจึงนั่งทำไมตัวหนูหนักจังนั่งสมาธิก็ไม่หายมันใช่สมาธิหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยมีเสียงเยอะมากมาเรียกให้นั่งสมาธิ แล้วเสียงมาจากไหนแล้วถ้าหนูไม่ทำตามจะผิดไหมครับพระอาจารย์ที่ตัวหนูหนักเพราหนูอาจจะกินมากก็ได้ <c oughs> กินให้มันน้อยหน่อยไปช่างตะช่างดูว่ามันหนักกี่กิโล <c oughs> ส่วนเสียงที่อยู่ข้างในมันก็เป็นเสียงของใจเรานี่แหละมัน <c oughs> มันนึกคิดไปแบบลึกๆโดยที่เราไม่คิดโดยที่โดยที่เราคิดว่าเราไม่ได้คิดแต่มันก็เป็นสัญญาเป็น อะไรที่มันมีอยู่ในใจเรามันก็โผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมัน <c oughs> หรือถ้าเราจะพิจารณาดูว่าถ้าเป็นเสียงดีก็เอามาถ้าอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอามาใช้ถ้าเสียงชวนให้เรามาทําบุญนะแล้วเรามาทําบุญนี้ก็ดีเย <c oughs> <c oughs> ถ้าเสียงมันชวนให้เราไปทําบาปเราก็อย่าไปทําบาป <c oughs> เราต้องใช้เหตุผลพิจารณาเสียงนั้นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษก็อย่าไปสนใจถ้าเป็นโทษก็อย่าไปสนใจถ้าเป็นประโยชน์ก็ทำตามถ้าเสียงบอกก็ไปบวชเถิดอย่างเงี้ยถ้าไปได้ก็ไปเลยการทำถัาไปจากคุณพรพัด์ครับหลวงพ่อคะหากเรามีพระาธาตุหลวงตามหาบัวเราควรดูแลปฏิบัติอย่างไรคระ ก็เหมือนกับปฏิบัติกับตัวหลวงตานั่นแหละเพราะนี่ก็เป็นส่วนของของหลวงตานี่เองพระธาตุก็คือกระดูกของท่านร่างกายของท่านเราเคยกราบไหว้ท่านให้ความเคารพกับท่านอย่างไรเราก็ทําเหมือนเหมือนกับสมัยที่ท่านยังอยู่กับเรานั่นแหละเพราะกระดูกหรือพระธาตุของท่านก็เป็นร่างกายของท่านไม่ใช่เลยเวลาเราไปกราบท่านเราก็ไปกราบร่างกายของท่านไม่ใช่เะมันก็เหมือนกันทําเหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ทุกอย่าง ทำต่อไปจะเป็นปานีครับแล้วถ้าดูดบุหรี่ผิดสินไหมคะบุหรี่นี้มันไม่ได้เป็นยาเสพมันไม่มันไม่ได้ทําให้เสียสติเพรานะยังไที่ห้ามดื่มสุราเพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีสติและจะไปทํำบาปข้อต่างๆได้ง่ายแต่การสูบบุหรี่นี้มันไม่ได้ทําให้คนเผลอสติแสงได้เพียงแต่ว่าถ้าสูบแบบไม่ไม่มีประมาณนี้มันเป็นโทษกับร่างกายเท่านั้นเอง แต่ถ้าสูบพอหอมปากหอมคอวันละสองสามวนนี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่สมัยนี้มันผลิตกันมาเยอะซื้อกันง่ายมันก็เลยสูบกันเยอะสูบแล้วมันก็ติดกันครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็สูบแต่ท่านไม่ได้สูบด้วยความติดเนะี่ยท่านสูบแบบว่าท่านก็การบวชก่อนปฏิบัติท่านก็เคยสูบท่านก็สูบไปเขี้ยวหมากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเสียหายถ้ารู้จักประมาณรู้จักการควบคุม สูบบุหรี่วันละสองสามวนตามประวัติหลวงปู่มั่นนี่เห็นว่าท่านสูบวันละสามสี่มวน <c oughs> แต่ไม่ได้ทําให้เผลอสติไม่มีสติองไงรแล้วถ้าสูบ น, น้อยๆมันก็ไม่ได้มีผลโทษต่อร่างกายเนี่ยมันจะมีโทษก็ต่อเมื่อสูบมากๆเคี้ยวหมากก็ไม่มีโทษอะไรกับร่างกายถ้าท่านเหล่านี้ถ้าไม่ได้เคี้ยวได้ความติด อย่างหลวงตานี่ตอนที่ท่านไปประเทศลอนดอนเนี่ยญาติโยมห่วงมากเกินว่าที่ลอนดอนไม่มีหมากขายเนี่ยโอ้ยขนหมาพ้นภูมาเป็นกิโลที่สนามบินเพื่อที่จะท่านเอาไปด้วยแต่หมดเอาไม่ติดนะแต่เราจะเคี้ยวคําสุดท้ายให้ญาติโยมสนองศรัทธาให้พอถึงเวลาขึ้นเครื่องท่านไม่เอาไปเลยท่านไม่ได้ติดนแต่ท่านมีท่านก็เคี้ยวไปตามอัธยาศัย เคี้ยวเพื่ อ, อการเปี้ยวปากแก้เปี้ยวปากเปี้ยวอะไรไปเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของธาตุขนันเรื่องของร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจของท่านจิตใจท่านไม่มีความยึดติดมีก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เหมือนกับพวกที่ติดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับจิตใจพอเวลาไม่มีแล้หวหงดหิดนนำคารใจขึ้นมาพอไม่มีหมากเคี้ยวไม่มีบุหรี่สูบแล้วเกิดอาการงดหิด่นแสดงว่าติดท่านท่านอย่างนี้ก็ไม่ควรจะสูบ <c oughs> เพราะว่าจิตใจมันไม่ปกติเจ็บใจมันเป็นทุกข์แต่ถ้าสูบหรือไม่มีสูบก็ไม่รู้สึกอะไรเท่ากันก็สูบก็ได้ไม่สูบก็ได้ <c oughs> ต่อจิตใจสภะะาพกัจิตใจคำ ถ, ถามต่อไปจะทาง i ิน o x ครับจากคุณวินครับนอกเหนือจากการนั่งสมาธิเวลาทำกิจกรรมในชีวิตประจาวันควรจะมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำหรือมีสติกับลมหายใจครับ อถ้าเราทาอะไรนี้การดูลมมันจะยากเพราะลมมันละเอียดนะดูการเคลื่อนไหวของมือของไม้เราดีกว่าของเท้าของการกระทําของเราดีกว่าเช่งกําลังรับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารนกําลังตักข้าวเข้าปากกาลังเคี้ยวกําลังกลืนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูลมมันดูง่ายกว่าคำถามต่อไปาจากทาง youtube <c oughs> ครับจากคุณปัก พ, พากินครับ กราบถามพระอาจารย์ครับที่พระว่าเปลี่ยนที่ปฏิบัติถ้าจิตสงบแล้วสถานที่ก็ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่แน่ถ้ายังอยู่ในขั้นยังไม่ถึงขั้นปัญญาอยู่เพราะบางทีข่านปัญญานี้เรายังต้องหาที่มันเสี่ยงต่อความเป็นความตายของร่างกายอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตาย ถ้าอยู่ในที่มันปลอดภัยมันก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นกิเลสตัวนี้คือความกลัวตายบางทีท่านก็เลยต้องยังถ้ามีสมาธิแล้วก็ยังต้องไปหาที่ที่มันท้าทายต่อความกลัวตายอยู่ถ้าไม่มีความกลัวตายแล้วนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนที่แล้วเพราะมันหายกลัวแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าสมาธินี้มันยังหายชั่วคราวหายตอนที่เข้าไปในสมาธิ พอจากสมาธิมาปั๊บมันคิดถึงเสือคิดถึงอะไรมันก็กลัวขึ้นมาได้เรียกต้องไปหาเสือต้องไปหาสิ่งที่เรากลัวแล้วก็ปรองมันะยอมตายยอมให้เสือกัดตายพอยอมให้เสือกัดตายเสือจะมากัดหรือไม่กัดเราก็หายกลัวละต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาเสือหางู อยากตอเรียนถามพราจ้ารนะคะว่าคือปัจจุบันตอน อ, อ, อยู่ที่บ้านค่ะก็จะมีการฝึกปฏิบัติพร้อมกันหลายๆคนทุกวันเนี้ยค่ะอยากจะเรียนถามว่าวิธีการไหนที่จะเในการฝึกพร้อมกันทีเดียวหลายๆคนเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดเวลาที่เรายังทําคนเดียวไม่ได้เราก็อาจจะต้องอาศัยหลายๆคนมาให้กําลังใจกันเราให้กําลังใจเขาเขาเราให้กำลั ง, เ ข, เ, ข เ, ลงเขาให้กําลังใจเรา ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีพยานเราก็จะนอนกันจะหลบการปฏิบัติกันนะังั้นการอยู่ร่วมกันเราก็ก็ทําแบบที่วัดให้ไหว้พระสวดมนต์กันก่อนเสร็จแล้วก็ให้นั่งสมาธิกันหรือฟังเทศฟังธรรมกันเปิดธรรมะฟังกันไปแล้วถ้าจะเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมพร้อมๆกันจะทำอะไรต้องทํำพร้อมกันมันจะได้ไม่มาขัดกันถ้าคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งเดินนี้ไม่ดีคนหนึ่งฟังธรรมนี่มันจะ มันจะทําให้รบกวนกันงั้นถ้าเราปฏิบัติเริ่มกันเราก็ต้องทําทุกอย่างพร้อมๆกันสวดมนต์ก็สวดพร้อมๆกันฟังธรรมก็ฟังพร้อมๆกันนั่งสมาธิก็นั่งพร้อมๆกันเดินจงกรมก็เดินพร้อมๆกันเรียนถามพระอาจารย์ครับพอดีพ่อผมเพิ่งเสียครับแล้วก็อตลอดชีวิตมันก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็อได้แต่ไปทําบุญตามงานพิธีต่างๆ แต่ก่อนเสียไม่กี่ชั่วโมงผมก็โหลดอธรรมะอิติปิโสหรือเอกธรรมะจากกระป๋วัฒนสูตรให้ท่านฟังอ่ะครับไม่ทราบว่าชีวิตหลังจากนั้นท่านจะเป็นยังไงแล้วก็ตายไปแล้วท่านทําบุญบไม่ได้แล้วล่ะท่านต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ท่านท บ, บอย่างเวลาที่พระเทศพระสวดเราไปครอบฝาลงมันครอบไปเป็นธรรมเนียมท่านเองคนตายแล้วนี้ไม่จิตไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้ว เราก็ไม่รู้เรื่องเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูแล้วย mm hmm. ั้นถ้าจะทําบุญต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ยหลวงตาท่านเคยเทศอยู่เลยว่าอย่ามากุศลาให้เราตอนที่เราตายแล้วนะ mm hmm. เรากุศลาของเราอยู่ัตลอดเวลากุศลก็คือกุศลเราสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาเราต้องสร้างกุศลตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่จะสร้างแล้ว เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนี่รีบเติมน้ำมันให้มันเต็มถังฮะไม่ใช่พอจากปั๊มแล้วจะมาเติมมันไม่ได้แล้วทนทถามต่อไปจากทาง Facebook Live นะครับ <c oughs> จากคุณ ป, ป, ประปั๊พัริศิรครับถ้าเราโกหกเพื่อตัดความลำคาญหรือเรื่องมากจะผิดหรือเปล่าคะก็ผิดนะถ้าโกหกก็โกหกไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดทั้งสิ้นถ้าการถ้าถ้าเราลาคาญแล้วก็พูดโทพูดโทไป ปล่อยให้เขาพูดไปไม่ต้องไปตอบถ้าเราไม่ตอบเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ตอบเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเราคำถามต่อไปจากคุณปานีนะครับพระอาจารย์คะหนูบูชาพระอุมาพระศิวะผิดไหมคะเ อ, อผิดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีของพวกนี้เ ร, เรางม ง, ง, งายเชื่อกันขึ้นมาไม่ ม, ไมีเป็นความจริงของจริงก็มีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น หรือเทวดาแต่การบูชาเทวดาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะเทวดาเขาไม่มาสั่งสอนเราแต่เราบูชาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสั่งสอนเรา <c oughs> การที่เราจะรับคำสั่งสอนของผู้ผู้อื่นได้เราต้องมีความเคารพในผู้ที่สั่งสอนเราเขาถึงจะสอนเราถ้าเราไม่เคารพไม่บไม่เชื่อฟังเ้าก็ยังไม่สั่งสอนเรา <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม สติปัฏฐานสี่เป็นหนทางสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติเหมือนระดับปริญญาตรีโทเองขั้นแรกก็ฝึกนั่งสมาธิอนาปานสติทําจิตให้รวมไปดับปานาสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตไปตามลําดับเอาทีละขั้นเอาร่างกายก่อนแล้วก็เอาเวทนาแล้วก็เอาจิต แล้วก็จะได้บรรลุธรรมจะได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวันใหม่ครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> เราอุทิศบุญให้กับ <c oughs> พ่อแม่นะ <c oughs> ปัจจุบัน <c oughs> ถือว่าเราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ไหมคะอ๋อถ้าพ่อแม่อยู่นี่ไม่ได้หรอกต้องไปรับใช้พ่อแม่เอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองไปให้พ่อแม่เราถึงจะได้ทดแทนบุญคุณท่าน แต่ถ้าท่านยังอยู่เพียงแต่เราสวดแทนเมตตาให้ท่านอย่างนี้มันท่านไม่ได้อะไรหรอกเราต้องไปแสดงความเมตตาตับท่านด้วยการนำเอาข้าวของอะไรไปให้ท่านไปฝากท่านคอยถามถึงสารทุกข์สุขเด็บห่วงใยท่านอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณกับท่านคาถามต่อไปจากคุณทัพพลักษ์ครับก่อนนั่งสมาธิควรอธิษฐานจิตอะไรบ้างครับพระอาจารย์ ก็ตั้งใจว่าจะขอให้นั่งแบบมีสติไม่คิดปรุงแต่งขอให้นั่งนานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้อธิษฐานแบบนั้น <c oughs> ขอให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไปคิดก็ดึงกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธและจะนั่งไปจนกว่าจะทนนั่งไม่ไหวแล้วถึงค่อยลุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกไม่ลุกเลยถ้าไม่ตัดรู้เนี่ย ตัานตั้งจิตอธิษฐานแบบนั้นจะนั่งไปจนกว่าจะตัดสรุ้ถ้ายังมีความทุกข์ยังมีความอยากมีกิเลสตัณหาอยู่จะไม่ลุกไปจากที่นี้แม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ยอมก็ยอมให้มันเหือดแห้งไปแต่จะไม่ลุกจากที่นี่ไปโดยเด็ดขาดถ้ากิเลสตัณหายัางไม่ตายเยอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่อธิษฐานขอให้ได้ถึงนิพพานขอให้ได้ฌานขั้นนั้นขอให้ได้ฌานกันนี้ขอไม่ได้หรอกขอพวกนี้ มันต้องทำอธิษฐานที่การกระทำของเรา <c oughs> เอาอีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วครับคำถามสุดท้ายจากคุณทรงศักดิ์นะครับถ้าเรานั่งสมาธิจนจิตนิ่งสงบแล้วจะพิจารณาเพื่อให้เห็นถึงข้อธรรมะเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณานี้คือความคิดหรือเปล่าครับใช่เป็นความคิดเราต้องรอให้จุดออกจาก ออกจากสมาธิก่อนเวลาจิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรนี้เราต้องใช้สติประคับประคองให้มันนิ่งไปนานๆเพราะมันเป็นการเติมความสุขเติมอุเบกขาให้กับจิตตอนนั้นเราไม่พิจารณาปัญญาไม่ใช้ความคิดแต่พอจิตถอนออกมาแล้วก็เริ่มคิดเรื่อ ง, องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมาคิดเรื่องตายรักเรื่องอริยสัจสีกันต่อ<ม>เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับวันกําไรบุญในวันนี้